อย่มัวโงนก็ทราบข่าวแจ้งไง้ทราบก็อยากจะมาร่วมกุศลอะากทำบุญก็จะถือเอาบุญจากการบวชพาอุทิศให้แม่ที่ตายไปแล้วร่วงรับไปแล้วด้วยเออได้หลายบุญเลยเด่๋นี้อันนั้นคือภรรยาของหมอเก็มาสละสามีถวายพุทธเจ้าใครมีสามีอยากจะทำอย่างนี้บ้างก็ดี เป็นการสละสละเมื่อกี้ถามมาสละขาดหรือเปล่าเธอก็บอกว่าฮก็ดูที่ตาดูที่แววตาก็รู้ว่าสละขาดหรือไม่ขาด <c oughs> ใครที่มีสามีถ้าได้มีโอกาสถวายสามีเป็นพุทธบูชาได้เนี่ยจะเป็นบุญมากเลยถ้าสามียังอยู่ที่บ้าน ทั้งเขาไม่บวชก็สามารถสละได้ถ้าเราสละถวายเป็นพุทธบูชาปุ๊บเนี่ยจิตเราก็จะไม่กังวลกับเขาแล้วก็จะไม่ทุกข์จริงๆน่าทำนะเหตุที่เราไม่กล้าสละถวายเป็นพุทธบูชานี่แหละเราจรึงคอยตอแยกับเขาตลอดคำว่าตอแยในที่นี้คือความรู้สึกเนี่ยคอยโผลคอยรัดคอยดึงคอยกำกับ อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละคือไม่ยกถวายถ้าวันใดวันหนึ่งลองยกดูเถเช่นมีพ่อก็ยกถวายเป็นพุทธบูชามีแม่ก็ยกถวายเป็นพุทธบูชาคนที่มีลูกก็ยกลูกถวายเป็นพุทธบูชาอย่งนี้พอถวายปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าเราได้ยกท่านวันนี้ถวายแด่พระเจ้าแล้วพอยกถวายปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงรู้ไหม จึงมีความรู้สึกไม่ขัดเคืองในขณะที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบแล้วก็จะไม่กำหนัดยินดีในขณะที่เขาทาพฤติกรรมที่ถูกใจเราจะมีสติปัญญาในการกํากับแล้วก็คอยรู้และเข้าใจว่าพึงปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเชื่อไหมทุกวันเนี่ยกระแสะชีวิตที่มันทุกมากที่สุดเนี่ยเพราะความรู้สึกที่เราเราวางวางไม่ลง เมื่อเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีสามีมีภรรยาเราก็เอาความอยากความต้องการของเราไปกํากับเขาแล้วเราก็จะซ่อนความต้องการว่าขอให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาทําตามความอยากความต้องการของเราปุ๊บเราก็จะยินดีแล้วก็อยากเพิ่มขึ้นไปทีละนิดละนิดบางทีก็มากตามจํานวนของความอยากที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย แล้วเราก็จะใช้ภาษาบอกว่าเรารักเขาจึงอยากให้เขาเป็นแบบนั้นเรารักพ่อรักแม่รักคนนั้นอยากจะให้คนที่เรารักในอยากให้เป็นไปตามความประสงค์และความต้องการของเราและในขณะเดียวกันถ้าคนที่เรารักที่เราต้องการเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากหรือเรายึดอยากเราจะเครียดเราจะทุกข์แต่ถ้าเขาทําตามเมื่อไหร่เราจะสุขเราจะดีใจแล้วก็ปรารถนา อยากให้เขาทำตามความอยากความต้องการของเราจริงๆขึ้นไปวันก่อนมีคนมาครอบครัวหนึ่งมาจากออมาจากปาจินบุรีพ่อแม่แล้วก็ลูกสามคนก็มาที่นี่อยากเจอมามานะ้าหาหาทั้งในที่ในเจอแต่ในใ น, ในเสียงนี่นะพ่อก็เดินไม่ค่อยได้อ้วนอายุยังไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่เดินไม่ไหว แต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยแกก็พาลนาว่าเออเนี่ยอยากเห็นมานานมาฟังธรรมแกไปอินเดียมาฟังในยูทูบฟังในที่ผ้ า, าจาย์ออกไปบรรยายเนี่ยก็เลยไปอินเดียไปไหว้พระเจ้าเนี่ยนะใส่บาตรทุกวันสวดมนต์ด้วยแต่เมียและลูกอยู่ด้วยอึดอัดอะไรทั้งอืดอัดแก เอาความอยากของแกไปกำกับเมียแล้วลูกคือปรารถนาให้เมียเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นแกก็โวยวายแกก็คอยกำกับอยูน่นีตลอดแล้วแกก็บอกแกรักลูกนะแกรักเมียนะแกเพิ่งเป็นแบบเนี้ยฉันก็บอกว่าไม่จริงหรอกยอมไม่ได้รักลูกหรอกยอมไม่ได้รักภรรยาหรอกแต่ยอมรักความรู้สึกของตนเอง ยอมพเนาพนอ์ความรู้สึกความต้องการของตนเองอยากจะให้ความรู้สึกของตนเองมันสมปรารถนายอมก็เลยกอดรัดวัดเวียงกับความรู้สึกของตนเองแล้วก็ทะนุถนอมความรู้สึกของตนเองถ้าใครมาทําลายความรู้สึกหรือมาทําลายความรู้สึกความต้องการของโยมไม่พังยอมก็วีนยอมก็โกรธยอมก็แสดงปฏิกิริยามาจริงๆยอมไม่ได้รักเขาจริงหรอกยอมรักความต้องการของโยมรักความรู้สึกของโยมนะ ไอ้ความโกรธเนี่ยมันมีกี่ระดับรู้ไหมระดับที่หนึ่งมันเกิดที่ใจนะเคยไหมขัดเคืองขุนเคืองหงุดหงิดไม่พอใจรู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์ในใจเคยเป็นไหมไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งมันจะกังวลใจทุกทรมานวิตกกังวลอยู่ในใจในระดับที่หนึ่งนะระดับที่สองมันจะออกมาที่หน้านิ้วคิ้วขมวด ใครใครเป็นกี่ระดับให้สังเกตดูนะถ้าระดับที่หนึ่งเป็นที่ใจมันจะเครียดมันจะก้มมันจะทุกข์มันจะวิตกกังวลบางทีมองกันแป๊บเดียวไม่รู้หรอกยกเว้นแต่คนที่เขารู้สภาวะธรรมพอสมควรก็จะเห็นเลยนะเห็นตัวเนี้เนี่ยอยู่ในใจประการที่สองก็คือหน้านิ้วคิ้วขมวดอันนี้แปลว่ามันมันมันพุ่งออกมาแล้วปริมาณของโทสะ ปริมาณของความเครียดปริมาณของความไม่พอใจแปลว่ามันมันสะสมมันมันเริ่มมีพลังมากขึ้นมันตึงผักออกมาที่หน้าเนี้ยคิ้วขมวดถ้าประการที่สามถ้าไม่หยุดแค่นั้นนะมันผักมาต่อก็คือคางเริ่มสั่นแล้วใครถึงระดับสามเมย่องถ้าระดับที่สี่มันจะเปล่งวาจาหยาบออกมาภาษาพราเรียกว่าพุรุวัตเปล่งวาจาหยาบมีสีระดับแลวนะ เหนหมหนึ่งหน้าหนึ่งก็คือที่ใจกุ้มรุมในใจใจสองก็คือหน้านิวคิ้วขมวดสก็คือค้างสันสถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยหยุดไม่ได้มันจะผักออกมาเลยทีนี้เปล่งวาจาพูดเพ้อออกมาด่ามาบ้างบ่นออกมาบ้างแล้วบางทีเหมือนพูดดีอะ่ะแต่ที่จริงมันถูกความโกรธผักนะนี่ฉันพูดแล้วทำไมไม่ฟังแต่ดูเหมือนดีเลยนะแต่ที่จริงมันผักออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็กล่าววาจา กล่าวว่าจะหยาบออกมาเรียบร้อยถ้าระดับที่ห้าเป็นไงหันมองหันมองรอบๆดูทิศน้อยทิศใหญ่ดูแล้วจะหาตัวช่วยนี่ระดับมันเริ่มเริ่มผักดันในตามองรอบๆรอบๆมองนูน้นมองนี้ถ้าระดับที่หหยิบไปแล้วมีไม้หยิบไม้มีมีดหยิบมีดมีจานหยิบจานมีอุปกรณ์ใดๆเข้าไปหยิบใครถึงขนาดนี้บ้างยัง พราะหยิบมาไม่พอนะถ้าระดับต่อไปอีกก็ยกเงื้อขึ้นมาแล้วจะฟาดจะตีบางคนก็ยังหยุดไม่ได้นะเนี่ยปล่อยต่อให้มันมีพลังมากขึ้นผลักดันมากขึ้นนะข้าวนะข้าวก็เอาอาวุธหรือสัตราวุธอะไรก็แลบบ้วแต่ฟาดลงที่ตัวบุคคลที่เราบัทุศลายเพราะฟาดเข้าไปก็มีแผลเล็กแผลน้อยใช่ไหมเพราะโกรธมากกว่านั้นนะ่ยขาดเลยนะทําให้กระดูกแตกหรือขาดเลย กรดไปกว่า น, นั้นไม่เลยแทงเขาตายฆ่าเขาตายยิงเขาตายหรือใส่ ย, ยาพิษให้เขาตายมากไปกว่า น, นั้นก็คือฆ่าตัวเองตายนี่ไงปริมาณเนี่ยให้เราเราเห็นการทํางานของกิเลสนะจากความที่เราขัดเคืองหรือไม่พอใจเนี่ยมันมันกุ้มรุมในจิตใจก่อนมนุษย์ก็ไม่รู้จะทํำยังไง สกัดมันไม่เป็นละไม่ได้ไม่สามารถมีปัญญาเข้าไปอย่างเห็นไม่สามารถจะถอนไอความรู้สึกแบบนี้ออกได้ก็ปล่อยมันทำร้ายตัวเองบางคนหนักถึงขนาดนอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นอาการทางจิตต้องกินยานอนหลับแล้วหนักเข้าหนักเข้าอาการก็ซึมสลืมสลืมสภาพร่างกายก็แย่เงี่ยเห็นไหม ให้สังเกต ด, ดูที่ว่าโอ้มันมันผิดหวังกันขนาดนั้นเลยนเนี่ยว่าเวลามันผักออกมามันมันเสียหายแบบนี้นั้นให้สังเกต ด, ดูเจอคนที่มีอาการเครียดอาการกโกรธหรือถูกกิเติเหล่านี้ลุมเล้ามากๆากถ้าไปจับตัวตามตัวเนี่ยที่หมอจับจับกันเนี่ยเนี่ยอาการเครียดเก่งตึงออกมาเต็มไปหมดเลยทั้งปวดทั้งอะไรต่างๆล้าหมดเคยเป็นแล่ที่พูดมาทั้งหมดนี่ นี่คือปัญหานี่คือทุกนะที่มันบีบคั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นดนแล้เล่าร้อนอยู่แล้วใครจะช่วยเราได้อะพระพุทธเจ้าช่วยเราได้เออพระพุทธเจ้าช่วยเราได้นะเรื่องนี้เชื่อไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อเพื่อบุคคลเช่นเรานี่แหละเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเรานี่แหละ ที่ระเจ้าจึงอดทนในการบำเพ็ญบรารมีมาอย่างยิ่งยวดเนี่ยอย่างยาวนานเนี่ยเพื่อต้องการมาแกะปมปัญหาเราทั้งหมดนั้นปัญหาของเราที่มันเต็มไปหมดในกระแสะชีวิตเนี่ยเราไปเถอะให้ไปทดลองยังไม่ต้องมาหาพระเจ้าก่อนนะให้ไปมาก่อนได้ทย่จให้ตายก่อนนะไปหาใครก็ได้ไปหาหมอไปหาใครก็แล้วแต่ไปผูกดวงไปไปให้หมดมา ไปมันทั้งโลกนี่ไปให้หมดนะจนในที่สุดแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วค่อยมาหาพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหถ้าอย่างงั้นมันยังไม่มันยังไม่โอเคมันมันยังเอ๊มันยังมีที่อื่นดีกว่าไปเลยนะอย่าเพิ่งมาหาพระอย่าเพิ่งมาไปรู้สึกว่าแต่อย่าให้อายุมากนะถ้ามากขนาดยอมพ่อเก้าสิบเนี่ยหมอไม่รับ ไม่รับแล้วถ้าอย่างเงี้ยมีโรคส่วนตัวเรียบร้อยแล้วจะไม่นั่งถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ไม่รับแล้วสะกิลแล้วไม่หันเจ้มะแต่เดินหน้าไปนะเรียกไม่กลับตอนนี้โยมแม่ยังก็เป็นเลยเรียกไม่ก็เรียกว่าเริ่มยิงแล้วใครเห็นไหมคนบางคนเริ่มยิงนะล้วเจ้มคุยเริ่มไม่รู้และมันเป็นอย่างงี้นะถ้าใครปล่อยให้โทสะมันเกิดมากมากๆ า, า, า, ากเข้าเนอะ แล้วหนักเข้าจะเป็นคนฟังอะไรไม่ได้ไม่เจ็ดระบายออกระบายออกพอระบายออกไปเรื่อย ๆ, ๆหนักเข้าหนักเข้าคนก็ไม่อยากอยู่ใกล้เพราะเขารู้สึกอยู่ใกล้แล้วมันมันไม่โอเคอะ่ะคืออย่างนี้คนเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ใครแล้วมีความสุขมันจะต้องมีคุณสมบัติปีโยยังไม่น่ารักถ้าคนมีความเครียดมากๆคิดว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารัก หน้าตาก็ไม่น่ารักผิวพรรณก็ก็หยาบสีหน้าแววตาก็ออกมาแบบไม่น่ารักและอย่างหนึ่งก็คือว่าครุก็คือไม่น่าเคารพคาว่าไม่น่าเคารพในที่นี้หมายถึงอะไรลืะเป็นคนไม่หนักแน่นคืออยู่ใกล้แล้วไม่อบอุ่นเราเคยอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกมันปลอดภัยไหมละ่ะแต่อยู่บางคนเนี่ยรู้สึกหวาดระแวงตลอดเอจะทิมเามาราเมื่อไหร่ บางทีก็ใช้สายตาทิมเราบ้างใช้วาจาทิมเราบ้างใช้ใจกระทบกระทั่งเราตลอดเวลาหรือแสดงปฏิกิริยาเนี่ยให้เราต้องขัดเคืองหรือไม่ปลอดภยัยแต่บางคนเราไปอยู่ใกล้เนี่ยทายังไงก็ im, มันมันปลอดภยัยมันโอเคมันมีความสุขเราอยากให้สามีอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขลูกอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขภรรยาอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขเพื่อนอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขลูกเออ เขาอยู่ใกล้เราแล้วก็มีความสุขั้มก็ทำงี้สองข้อปีโยกับครูลกหนึ่งน่ารักสองครูก็คือว่าเป็นคนที่ไปอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเพราะสภาพใจเขาดีเป็นบุคคลที่มีสภาพจิตที่หนักแน่นและเป็นสภาพจิตที่จิตดีเป็นคนไม่เครียดไม่โกรธไม่กรุ้มเป็นคนมีสภาพจิตที่มีเมตตาจิตแข็งแรงมาก มีความรักความปรารถนาดีความเอืออ้อทนมีคุณธรรมในใจสูงมากแล้วไปอยู่ใกล้แล้วมันเราได้อะไรดีเยอะได้ฝึกตนเองทุกด้านแล้วเห็นความเห็นการฝึกของบุคคลประเภทนี้นะเขาฝึกพฤติกรรมของเขาตลอดสภาพจิตใจของเขาด้านพฤติกรรมทางกายทางวาจาด้านจิตใจด้านทัสนคความเห็นเขาพัฒนาตนเองโอ้มันจเจริญรุดหน้าหมดแล้วเราอยู่ใกล้แล้วก็อยากจะมันก็ได้ มันได้ข้อฝึกได้ข้อคิดได้วิธีการได้ความสุขโอ้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีจังหวะดีคนมีจังหวะดีเนี่ยเช่นเช่น เ, เขารู้ว่าคำพูดนี้พูดไปแล้วเนี่ยเขามีความสุขเขาจะพูดคำนั้นในระหว่างเขาแสดงพฤติกรรมแบบไหนแล้วในคนอยู่ใกล้เขามีความสุขเขาจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นคือคนบางคนเนี่ย เป็นคนที่มีบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่ไม่เบียดเบียนคนรอบข้างครับบางทีบางทีบางคนเคยเราเกิดมาเราเคยใช้สายตาด่าคนไหมมองแล้วก็ใช้สายตาด่าเคยไหมเราไม่เราไม่ได้พูดก็นดะ้แต่ใช้สายตามองด่าแต่ในใจนั่นแหละด่า เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยหรือหรืออยู่หน้าที่ไหนแล้วทำให้คนอื่นเขาอึดอัดเนี่ยคนอื่นเขาไม่ชอบคำพูดอย่างนี้แต่เราจะพูดแบบเนี้ยคนอื่นเขาไม่ชอบพฤติกรรมอย่างนี้แต่เราจะแสดงพฤติกรรมอย่างนี้อกรณีในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจังหวะการแสดงไม่แคร์คนอื่นไม่สนใจฉันจะเป็นฉันแบบนี้ทีนีคนก็ แล้วก็แล้วก็มีมาตรฐานว่าฉันทําดีฉันทําถูกแล้วก็ไปกํากับคนอื่นว่าเมื่อฉันทําดีฉันทําถูกฉันทําสิ่งที่ดีงามและถูกต้องแล้วเนี่ยคนอื่นต้องเห็นดีเป็นการปฏิบัติธรรมแบบยัดเยียดเคยเห็นไหมปฏิบัติธรรมแบบยัดเยียดหรือเป็นการทําดีแบบไปกํากับคนอื่นว่าเนี่ยเป็นความดีนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันทําแล้วแล้วก็มาบ่นว่าเนี่ยชีวิตเนี่ย ทำดีแล้วไม่ได้ดีฉันทำดีกับพ่อทำดีกับแม่ทำดีกับลูกทำดีกับสามีทำดีกับภรรยาทำดีกับญาติมิตรเขาไม่เคยเห็นความดีฉันเลยเคยเคยเห็นคนบ่นแบบนี้เยอะไหมที่จริงมันไม่ใช่นะเหตุผลเพราะว่าจังหวะเราเร า, เรามีจังหวะไม่ถูกสถานการณ์ หรือการกระทำที่กระทำไม่ถูกต่อสถานการณ์ไม่ถูกต่อบุคคลไม่ถูกกัะช่วงจังหวะเวลาฉะนั้นการจะทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าฉลาดในการทำเนียเรียบร้อยเลยเอามาเคยเจ อ, เ, อ, อเพ่อกับแม่กับลูกแม่กับลูกเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยขัดเคืองแต่เขารักกันนะ แต่เขาเครียดอยู่กันจนจะเป็นโรคจิตโรคประสาทกันได้ทั้งๆ ท, ท, ที่รักกันนี่แหละแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยเอาใจใจตัวเองส่วนลูกก็บอกว่าแม่เนี่ยเอาใจใจตัวเองแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟังเออทำไมมันเป็นสถานการณ์แบบนี้คนเราทำไมรักกันแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะเห็นไหมเหตุผลนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนก็อยาก เอาความอยากกับความต้องการเนี่ยไปกํากับอีกคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าสิ่งเนี้ยดีที่สุดสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วต่างฝ่ายต่างก็อยากไม่เหมือนกันต้องการไม่เหมือนกันแล้วในส่วนจริงก็ไปครอบงําไปกํากับซึ่งกันและกันก็เครีย ด, ดตีตัวเนี้ยทุกเลยกลเป็นไม่เร่าโรคแบบเนี้ยทีนี้วิธีการเขาทายัางไงเขาให้ถอดนะสมมติยอมเปินะ้ลเนะี่ยอยู่กับโลกสมมตินะนะนะนะไม่ใช่เรื่องจริงอยู่กับโลกทีนี้ ลูกไม่ลูกไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเลยรู้สึกเขาทำเราอยากให้เขาทำอย่างนี้แต่เขาก็ทำอีกอย่างเราอยากให้เขาอยู่บ้านแต่เขาไปเที่ยวเราอยากให้เขาใช้เงินน้อยๆแต่เขาใช้เงินเปืองเราอยากไม่อยากให้อยากให้เขารับผิดชอบการงานแต่เขาไม่รับผิดชอบการงานเนี่ยมันก็ทุกเลยแต่เนี้อ่าถ้าเจอลูกอย่างนี้ทำยังไงอ้าวจะเจอลูกอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยที่จริงเนี่ย สิ่งที่พ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาทั้งหลายเนี่ยพึ่งกระทาต่อกันคืออะไรรู้หมหนึ่งก็คือว่าวางความต้องการของตนเองหยุดความต้องการของตนเองก่อนหยุดเลยนะไม่ใช่หยุดธรรมดานะหยุดจริงๆเลยเพอหยุดเบีดเสร็จปุ๊บแล้วทำอะไรต่อทีเนี้ยหาข้อมูลฝึกใจตัวเอง ฝึกใจตนเองให้มันแข็งแรงอย่าวูบวับอย่าไปอย่าไปอยากกํากับใครอีกเลยเนี่ยนะแล้วก็มาฝึกจิตให้มันมีพลังขึ้นมาก่อนพอจิตมันมีพลังมันจิตมีเข้มแข็งเบีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาจิตที่มีพลังและเข้มแข็งพอสมควรนะั่นแหละเป็นฐานเป็นฐานให้ปัญญามาทํากิตแล้วหันไปมองเขาดูใหม่ไปมองที่ไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันต้องการอะไรอะไรมันเป็นความสุขของเขา อะไรเป็นความต้องการของเขาอะไรเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วมันจะเริ่มเห็นสังเกตไปเรื่อย ๆ, ๆจะสังเกตว่าเขาต้องการให้เรามีพฤติกรรมอย่างไรกับเขาเช่นเขาต้องการให้เราแสดงพฤติกรรมอย่างไรเราเคยคิดเอาละเพื่อความสุขของคนที่เราลักเราจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ให้กับเขาในจังหวะที่เขาต้องการพอดีนะเหมือนช่วงก็หิวน้ำแล้วตักน้ําพ่กินทันนะ แต่ช่วงเขาไม่หิวก็ไม่ต้องตักให้เขาคือมันรู้มันอ่านความรู้สึกเขาได้ขนาดนั้นไหมถ้าอ่านได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเราก็ไปนั่งในใจเขาได้ทันทีเลยนีคือเรารู้ว่าในขณะนี้เขาร้อนน่ยในขณะนี้เขาหนาวอ่ะในขณะนี้เขาหิวอ่ะในขณะนี้เขาต้องการความสงบในขณะนี้เขาต้องการบุคลิกแบบนี้ในขณะนี้เขาต้องการคําพูดแบบนี้ถ้าเราสามารถเข้าไปรู้ระบบกระบวนการความคิดเขาได้แค่สัก 50% เราก็จะไปนั่งในใจแค่ห้าสิบเอร์เซ็นต์เทนไหมทั้งหมดเหรอเนี่ยมันเรื่องมันเรื่องสละเนี่ยสละอะไรรู้ไหมสละความต้องการของตนเองออกคำนึงถึงความต้องการของคนที่เราอยู่ด้วยถ้าทำได้อย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่า เ, าเราเริ่มเรารู้จักคำว่ารู้จักมนุษย์เรารู้จักมนุษย์พอสมควร แล้วจะอยู่กับมนุษย์อย่างไรปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างไรและทําอย่างไรหนอจะทําให้มนุษย์ที่อยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกเขามีเขามีความสุขบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยไม่ถูกคําพูดเสียดแทงกระทบกระทั่งไม่ถูกพฤติกรรมการแสดงออกไปเบียดเบียนทําให้เขาเจ็บปวดหรือผิดหวังมีสีหน้าแววตาที่ที่แสดงออกในขณะนั้นในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันมันมันดูดีอะ นี่ตอนนี้ยอมต้องไปหาดูเองนะตรงนี้พระอาจจะให้แค่รูปแบบแบบคร่าวๆไปเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันทำดีแบบนี้เช่นฉันพูดพูดดีแบบนี้มันพูดได้ทุกเวลาไม่ใช่คำพูดดีบางทีก็น่าราคาญถ้าพูดในเวลาที่ไม่เหมาะจริงไหมล่ะมันพูดอะไรเนี่ยเราต้องการสงกบก็อ้อยอิงอยู่นั่นแหละบางคนเป็นแบบนี้เคยเป็นหมหยอมน้อย คือถ้าฉันอยากจะพูดฉันพูดทุกเวลาเพราะฉันอยากไงเอาความอยากของเองเป็นตัวกล้งก็พูดเป็นนกแก้วนคุณทองไปเล้วไปไปไปแล้ ว, ลวคําพูดบางทีมันไม่ควรถามก็ถามพูดขึ้นมาแล้ววงแตกเลยคําพูดบางทีจังหวะนรกจริงจริงบางคนนี่เคยเห็นไหมเคยเห็นคําว่าจังหวะนรกไหมมันมันไม่ได้จังหวะเลยมันพูดอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ เห็นไหมผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนจึงเป็นที่รักเขาเรียกวัดตาเนี่ยเป็นผู้ว่ากล่าวเนี่ยโอ้เป็นคนมีจังหวะพูดดีแม่เนี่ยเนียเอออามาแม่ก็อเอามาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเลยไม่ได้เรียนเขียนหนังสือไม่ได้แต่เธอเป็นคนมีข้อนี้ดีสําหรับการมาเนี่ย ตอนสมัยเป็นการวาอามาเนี่ยเป็นคนที่ฟังคนอื่นยากเขาเรียกว่าใครพูดก็ต้องคิดต้องหาเหตุผลมันให้ได้อย่างเงี้ยนะเป็นคนลักษณะ่งเี้นะแล้วก็แม่มีจังหวะเขารู้เวลาเวลาเวลาเห็นเนี่ยมาเริ่มเริ่มไม่ค่อยฟังใครแล้วจะเอาแต่ความคิดของตอนเองเนี่ย แม่เรียกมาเรียกมาเบ็ศเสร็จว่าแล้วใช้คำพูดบอกว่าดื้อมากเกินไปแล้วเนะี่ยนีกแม่พูดแค่นี้น้ำตาซึมแล้วก็ไม่เคยตีพ่อเนี่ยเคยตีตอนเด็กๆ เ, เนี่ยไม่ร้องนะฉันเนี่ยแต่แม่พูดอย่างเงี้ยคือจังหวะเธอได้อ่ะมันได้จังหวะว่าเออเออใช่แม่ไม่พูดต่อหน้าคน แม่ไม่ตำหนิลูกไปด่าลูกไปบ่นลู ก, กต่อหน้าคนอื่นแต่เรียกมาแล้วพูดพูดแค่คำแบบนี้แค่นี้เราบอกเออ น, นี่ใช่กว่าแม่จังหวะดีอย่าง <c oughs> คือมันปรับมันเปลี่ยนคนได้แบบนี้มันเปลี่ยนได้ถ้าลองไปพูดต่อหน้าคนอื่นเนีไม่มีทางเลยนี่คนคนรู้จักว่ากล่าวเป็นคนมีจังหวะดีบางทีคำพูดดีๆนี่นะแต่เราไปพูดกับลูก พูดทุกเวลาลองไปพูดดูทีไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ทางแกห้หรือไปพูดกับสามีไปพูดกับพูดไปเหอะรู้ไอ้เจ้านี้สมมุติกินเหล้าไอ้เจ้านี้เจ้าชู้บ่นนั่นไปเถอะนั่นก็ฟังฟางไปงั้นแหละแต่บางทีพฤติการเนี่ยพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างนะ น, นางอุตรานันทามาตาเนี่ยนี่เป็นคนมีจังหวะดีมาก ตอนนั้นเธอปรารถนาอยากจะทำบุญถวายสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเธอต้องการอยากจะนิมนต์พระมาสิบห้าวันเนี้ยติดต่อกันเออเดือนหนึ่งติดต่อกันหรือสามเดือนติดต่อกันเธอไม่สามารถดูแลสามีได้เธอทำไงรู้ไหมเธอไปจ้างนางสิริมาซึ่งเป็นคนงามที่สุดในในใ น, ในประเทศนั้นขอเงินจากพ่อพ่อชื่อบุญนานายบุญนา น, นะนี่เป็นเศรษฐี ไปเอาเงินมา <c oughs> อย่างมากเลยนะยุคนั้นก็ประมาณหมื่นกว่าเหลียหมื่นกว่าหมื่นกว่าเหรียญเนี่ยเยอะมากเอามาจ้างแล้วไปบอกสามีบอกว่าในฉันไม่มีเวลาดูแลเธอนะพี่นะพ่อนะประมาณเดือนหนึ่งจะจ้างคนที่งามที่สุดมาดูแลพ่อจะว่ายังไงาสามีจะว่าไงดีใจหรือเสียใจโอ้เสียใจเหลือเกินอยู่ดูแลฉันเถอะ แต่ความฉลาดของผู้หญิงเห็นไมเอามาให้ดูเลยนี่เป็นหนาเนี่ยนี่เป็นความฉลาดนะอย่าลืมนะแล้วกากับแล้วก็สามี โ, โหแทนที่สามีจะออกไปข้างนอกดึงมาไว้ในบ้านแต่ให้อยู่ในฐานะกี่วันกี่วันเนะจ้างเป็นรายวันบางที โอ้เธ อ, เธอก็ดูและเธอก็ได้ดูแลพุทธเจ้าคนที่จะใจขนาดนี้นี่แสดงว่าอยู่เหนือเหนือความต้องการมีเหตุผลสูงจัดแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากคนแบบนี้เหมาะเป็นหัวหน้าเหมาะแก่การเหมาะเป็นคนยิ่งใหญ่อะแต่ยังอยู่ใต้ฐานความรู้สึกให้ความรู้สึกกากับอยู่คนคนนี้เป็นหัวหน้าคนไม่ได้เพราะมีความต้องการมีความอยากกำกับ แล้วก็เครียดกลุ้มทุกข์ทำงานใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานใหญ่ก็พังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีความอยากมากำกับแล้วก็เป็นาธาตุของความอยากความต้องการอยู่ทำงานใหญ่ไม่ได้คนที่จะทำงานหรือรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆทั้งหลายได้เขาวางเป็นไอคนที่จะวางเป็นนั้นต้องต้องพัฒนาปัญญาพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาพัฒนาความก ล, ากล้า้าความเชื่อมัน่นจนอยู่เหนือ หยุดเหนือความต้องการได้แล้วก็ให้ความต้องการเล็กลงเล็กลงเรื่องจะมองอะไรออกหมดเลยเลยเนะี่ยความต้องการไม่มีอิทธิพลในกระแสะชีวิตแล้วเขาก็กำกับได้ใช่ไหมเนี่ยเธอเหมือนกันเธอทำแบบเนี้ยแล้วเธอก็ทำงานตัวเป็นเกลียวมอมแมมแโอ้โหปีติประโมดเกิดทีนี้อยู่ต่อมาใกล้ถึงจวันสุดท้ายแล้ว สามีอยู่บนบนบนชั้นที่ห้าชั้นที่หกมองลงมาเห็นภรรยาตัวมอมเมมอยู่กับคนใช้เป็นร้อยคอยคอยอยู่ในครัวทำอาหารคอยถวายพระตั้งห้าร้อยแล้วก็พิพจพร้าเป็นมุกตอนนั้นพระยังไม่มาสามีมองมาก็หัวเราะยิ้มหัวเราะแบบย่อเย้ยนะโ ง, โง่โง่จริงเงินก็มีทรัพย์ก็มีแทนที่จะหาความสุข กับกายต้องไปทำงานลำบากลำบนต้องมาดูแลอะไรกับ น, นักบวชกลุ่มนี้โหมีภรรยาโง่แล้วน่าจะมาหาความสุขเหมือนเราภรรยาเหลียวขึ้นไปเห็นสามียิ้มนางนางอุตรานันทมาตาก็ยิ้มเหมือนกันแต่ยิ้มคิดคนละอย่างโอ้สามีเราเนี่ยเป็นคนติด ก, กามาคุณเนาะหมกมุ่นในกามนะไม่ฉลาดเลย เกิดมาในกระแสชีวิตเนี้ยน่าจะเล่นขนขวายในการทำสิ่งที่ดีงามโอ้เนี่ยเห็นไหมว่าติดกรรมติดความรู้สึกเป็นทาตของความต้องการเป็นทาตของความอยากโอ้เราพ้นแล้วเนาะเราพ้นจากความอยากความต้องการแบบรุนแรงอย่างนั้นแล้วเนาะเราเป็นอิสระเนาะก็ยิ้มขึ้นมาอีกเหมือนกันก็จะ ม, มาสองคนยิ้มไม่เหมือนกันเลยไหมเรื่องเดียวกัน บริบทเดียวกันกระแสความคิดในะยิ้มไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งยิ้มแบบเป็นอิสระอีกคนหนึ่งยิ้มแบบดูหมิ่นคนอื่นว่าเราเราสุขกว่าทีนี้นางสิริมาเห็นเราสังเกต ด, ดูกิเลสของสองคนนะกิเลสของสามีของนางอุตราเนี่ยเป็นกิเลสเกี่ยวกับรถเหมือนเราเทั่วไปแต่กิเลสหรือกระแสชีวิตของนางอุตลานะันมาตาเนี่ยเธอขจัดความอยาก ไม่ให้ความอยากมามีอิทธิพลกับใจของตนเองแต่อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจในการว่าอะไรเป็นสาระแก่ชีวิตอะไรไม่เป็นสาระแก่ชีวิตอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเห็นไหมสองคนมีบริบทมีมีกระแสความคิดทัศนคติความเห็นที่เป็นอิสระกับไม่เป็นอิสระนี่มีความต่างกันตรงนี้อาต่นี้เสด็ น, นางศลีมาเป็นยังไงพอนางศลีมาเห็นเห็นสามีชัว่วคราวเนี่ย ที่ตนเองดูแลกับภรรยาแท้ๆของเขาเนี่ยยิ้มใส่กันโกรธโหนี่โกรธอย่างที่บอกไงหนึ่งมันมันกลุ่นในใจก่อนสองก็น่านิว้วคิ้วขมวดสามก็ค้างสันสี่ก็เริ่มเปล่งวาจาห้าก็เริ่มหาสัตราแล้วหาศัตราแต่เธอเห็นเน่ยเห็นข้างล่างอะ่ะมีน้ำร้อนอยู่แล้วเห็นที่ตักน้าร้อนที่เขาทาอาหาร เธอก็ปรีลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยปรีลงมาเธอคิดมาเหมือเธอใจมันไปยึดแล้วอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวใจมันยึดวันนี้มั น, ม, นมันของของฉันมันจะแย่งของของฉันได้ยังไงโอ้โหความโกรธมันมันผลักออกมาแล้วนางก็ปรีลงมาแล้วจะเห็นนะว่าปรีลงมาเธอก็จับไอ้ที่ตักน้าร้อน นางอุตลาเห็นตั้งแต่วิ่งลงมาแล้วพบๆๆสังเกตดูนะคนคิดคนละอย่างกันแล้วแต่เนี้ยนางกับคิดยังไงนางกับมีเมตตาจิตว่าโอ๋หนอสิบสี่วันเพราะได้อุปาลกาละนางสิริมาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสในการดูแลพระสงฆ์ห้าร้อรูปมีวรฒิจ่าเป็นประมุกคุณของนางเนี่ยยิ่งใหญ่มาก ถ้าจะเอาความกว้างของสาก ล, ลจักรวาลเนี่ยโลกกระถางเนี่ยก็แคบนักถ้าจะเอาความสูงของพรมโลกก็ถือว่าเตี้ยเตี้ยมากพรมโลกเนี่ยแต่คุณของเธอยิ่งใหญ่ที่ทำให้กุศลจิตของเราเกิดทำให้เราได้ได้ได้ได้ให้ทานแกีพระสงซึ่งเป็นคลีนเป็นเป็นบุคคลที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจด ทำให้เราได้ประพฤติศีลทำให้เราได้ภาวนาจากการได้อุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นคุณของนางยิ่งใหญ่เนแล้วเธอก็แผ่ไม่ตีจิตแผ่เมตตาที่มีพลังนะแผ่เข้าไปกินนางเนี่ยแล้วก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ า, า, วาด้วยสัจจะเนี่ยด้วยความจริงนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยโกรธเคืองท่านคนนี้เลย ด้วยความจริงเนี่ยแต่ถ้าข้าพเจ้ามีจิตโกรธเคืองเนี่ยก็ขอให้เป็นอันตรายนะแต่ถ้าหากว่าความขัดเคืองความโกรธไม่เคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้ากับท่านบนนี้เลยมีแต่นึกถึงคุณเนี่ยขอให้คุณของพระราชาตรายคุ้มครองนางเนี้เอาน้ําร้อนศาสตร์น้ําร้อนเหมือนน้าเย็นเนยปุ๊บลงไปที่เห็นคุ้มครองขนาดนั้นนะและเธอก็เข้าสมาธิในาอุตลาเนี่ย อยู่ในสมาธิอย่างนั้นแหละนางนี่ก็สาดน้ำร้อนใส่คนใช้ก็เห็นก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาลากนางนางสิรีมาเข้าไปปัสสาวะลายเธอก็ออกจากสมาธิเห็นงนั้นก็ไปห้ามพอไปห้ามไปเสร็จก็ไปให้คนเอายามาอะไรมาเธอมาทำแผลให้แล้วก็บอกว่าเออบอกว่าขอโทษต่อบคุคคลอื่นด้วยนะเขาไม่รู้อะไรเงี้ยนะ ไปไปมานางสี่มาก็สะดุ้งเฮือกเลยตกใจเพระไอ้เราทําอะไรไปลืมตัวขนาดนี้เลยหรือเนี่ยแล้วนางยังมาดีกับเราอย่างนี้ก็เลยขออดโทษนางฉลาดนางก็บอกว่าไม่ได้ฉันเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอดโทษให้เธอเมื่อไหร่ฉันก็อดโทษให้ด้วยพุทธเจ้าเป็นเหมือนพอง นี่พุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ก็เสด็จมานางก็พานางสร็จมาเข้าเฝ้าพรุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงคุณธรรมของเธอแล้วก็พูดถึงพระธรรมคำสอนนางสร็จมาก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนิอินทั้งสามีด้วยนะทั้งสามีทั้งนางสิ็จมาก็ได้ได้ได้เข้าถึงพระธรรมเนี่ยให้สังเกตดูความฉลาดของนางอุตลานัฏมาตา เห็นไหมว่าฉลาดจริงไหมแบบนี้ฉลาดมองสถานการณ์ออกแก้ปัญหาได้ไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่อยู่เหนือความรู้สึกนั้นใช้ปัญญาจัดแจงในการที่จะทําอย่างไรให้ให้กระแสชีวิตนะั้นดำเนินไปด้วยดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจริงนะตรงนี้ต้องการสรุปให้พวกเราที่เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเคยทั้งผิดและถูกเคยสมหวังและผิดหวังกันทั้งนั้นเคยเจ็บปวดกับความรู้สึก ไม่ชอบใจและเคยเครียดเคยกลุ่มเคยทุกข์เคยวิตกกังวลเคยดำเนินชีวิตแบบผิดๆกันมาก็เยอะและถูกก็มากถ้าตราบใดเราให้ความต้องการกำกับอยู่ไม่มีทางยิ่งถล่มลึกยิ่งลึกหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยก็จะเจอกับอีความทุกข์แล้วเราก็จะโทษว่าทำไมหนอทำไมหนอมันเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่มันมาจาก เจตนาของเราที่มันเป็นไปกับกิเลสที่มันทําให้กระแสะชีวิตเราผิดพาคนี่เป็นต้นเแล้ววันนี้มามาพูดเรื่องประเด็นตรงนี้เอาวกลับมาหน่อย ว, วันนี้เรามางานบวชมวันแล้วก็โยมนุ้ยใ น, นเป็นภรรยาก็ปารอบอยากจะบวชเวลานานที่จริงเนี่ยเอามากล่าวว่าเอออยากจังดู ความประสงค์ว่าอยากจะบวชจริงหรือเ่าอยากจะเล่ทดลองโดยสักปีได้ไหมเนี่ยก็มานึกไปนึกมาเขาคงตั้งใจอยากจะบวชตั้งใจอยากจะบวชมาก็ถามท้งฝ่ายแฟนก็ว่าอยู่คนเดียวได้ไหมเขาบอกว่าเขาอยู่กับแม่แล้วก็ยังมีงานยังทางานแม่ก็อายุมาก ก็คือจริงๆก็เหมือนอยู่คนเดียวชีวิตก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมผู้หญิงหลายๆคนก็ผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าไอสามีไม่อยู่หรือใครไม่อยู่เราจะอยู่ยังไงทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดถ้าพ่อไม่อยู่จะอยู่ยังไงถ้าแม่ไม่อยู่จะอยู่ยังไงเออคิดไหม บางคนเขาถ้าไม่มีเงินจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีก็จะคิดวนๆอยู่แค่นี้ทั้งๆ ท, ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ได้อยู่นี่แหละแต่มันก็คิดไว้ก่อนโอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมั้งคิดอย่างนี้พวกเราเป็นคนที่ใช้ความสามารถผิดชอบเอาความสามารถไปดูดทกดูดวดดูดปัญหามาไว้ในความรู้สึกทั้งๆไอ้เรื่องนั้นยังไม่ไมถึงอะไรหรอก แต่ก็ชอบจะใช้ศักยภาพความสามารถของความเป็นมนุษย์นี่แหละเท่าไปดึงทุกข์ดึงปัญหามาไว้ในเราทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะตอนนี้มันก็ยังอยู่ดีมีสุขมีข้าวกินมีที่อยู่นี่แหละมีงานทำใช่ไหมมีเงินมีงานพึ่งตัวเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจมันก็พอพึ่งได้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปแอบดึงความทุกข์มาใส่ตัวเองเองีกเพราะประโยชน์ปัจจุบันมันมีอะไรบ้างเนี่ย มีสี่อย่างใช่ไหมมีอะไรบ้างไหมหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่อย่างไรโ้โรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้อ น, นี้เราได้ไหมได้ไหมข้อแรกเนี่ยดูแลสุขภาพดีไหมฉลาดในการดูแลสุขภาพดูแลคนดูแลกระแสชีวิตนตนเองอยู่อย่างไรโ้โรคสองมีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมพอได้สาม เกียรติยศชื่อเสียงมีพอสมควรสี่ครอบครัวสมัครสมานสมาสมาัคคีอยู่เย็นเป็นสุ่ก็ไม่ได้แต่ละครนี้เลยมันก็เนี่ยถามว่ากรณีลักษณะแบบนี้เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเรายังไม่ได้ที่พึ่งให้รู้เลยนะว่า ถ้าตราบใดเนี่ยเรายังมีเอาความรู้สึกของเราเนี่ยเที่ยวไปพึ่งหวังหวังอยากจะพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งทรับพึ่งอะไรเนี่ยไอกรณีอย่างเนี้ยแปลว่าความเชื่อมั่นของเราศรัทธาของเราเนี่ยไม่ได้ไปยึดโยงกับพระรธนัตัยแล้วก็ไม่รู้จะยึดโยงยังไงด้วยมันขาดตัวเนี้ยขาดคว า, ความเชื่อมั่นตัวนี้มันมันเหงามัน ว, าว้าเว ใครเป็นไหมใครเป็นไหมบางคนก็เหงาว่าเวล็อยากจะมีใครสักคนสำนวนเยอะอยากจะมีใครสักคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็หาลองมาทำํำรวจดูสิเพราะมันแต่งงานไปแล้วมันเป็นเพื่อนคู่คิดกันจริงรือป่าน ไ, <c oughs> ไม่คิดกับเราเราต่างคนต่างไวกันเละเรื่องเลยตอนนี้ แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ก็เห็นเห็นก<ๆ>ันอยู่นี่แหละเพราะเราเนี่ยเอาความรู้สึกไปพึ่งคนอื่นไปพึ่งคนอื่นใช่ไหมอยากจะไปเกาะคนอื่นไว้แล้วก็ท่องไว้ในใจว่าเรามีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่ท่องอยู่เรามีสามีเรามีสามีเรามีสามีท่องเรามีภรรยาเรามีภรรยาเรามีภรรยาจริงๆพึ่งกันได้กี่มันน้อยต้องให็นด้วยเถอหยิบน้ําให้หน่อยมันพอได้ใช่ไหม ไอ้หยิบอาหารให้หน่อยช่วยเคี้ยวให้หน่อยชักไม่ได้แล้วนะก <c oughs> ินหน่อยให้กินกินช่วยกินอาหารให้หน่อย <c oughs> อ่ะสรุปวช่วยย่อยอาหารให้หน่อยได้ไหมช่วยเอาสารวิตามินไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ห, หน่อยได้ไหมช่วยขับถ่ายของเสียออกจากท้องฉันได้หน่อยได้ไมมันจะไม่ได้อีกเยอะมาเห <c oughs> ็นไหมจริงจริงมันก็โดยสถาภาพมันก็ถือพึ่งตนเองนั่นแหละเขาต้งบอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ย คนอื aime, oh ่นใค้เราจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใ่หลักปฏิบัตินะอันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่อันนี้เป็นความจริงเป็นแบบนั้นเมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วเขาให้ฝึกตนเองตนที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นก็ฝึกให้มีความเชื่อมั่นเสียตนที่ยังไม่กล้าก็ฝึกให้กล้าตนที่ยังไม่มีสติก็ฝึกให้มีสติขึ้นมา ตนไม่มีความอดทนก็ฝึกให้มีความอดทนตนไม่มีสมาธิก็ฝึกให้มีสมาธิตนไม่มีปัญญาก็ฝึกให้มันเกิดมีปัญญาขึ้นมามันจะได้เนี่ยอาศัยธรรมะเหล่าเนี้มันมันมารักษาตนพึ่งตนทําให้ตนเองเดีด่ยดเนินไปด้วยดีเขาจะยังนี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดไอ้นี่ถ้าตนเองไม่ฝึกเลยเออจะทำไงแต่เนี้ย ให้ทำไงอ่โน้นคิดเนี่ยถ้าป่วยใครจะดูแลอ้าไปซะอีกตะเลิดไปอีกแล้วนะเนี่ยถ้าป่วยใครจะดูแลป่วยก็ดูแลตัวเองอยู่นั่นแหละนี่ดูแลตัวเองถามว่าเวลามันจะกืนยาเข้าไปจะย่อยยาเข้าไปรักษาต้องดูแลตัวเองไหมตัวเองอยู่นั่นแหละแต่เวลามันคิดเนี่ยคิดว่าจะพึ่งคนอื่นน่ะดูมันเหมือนว่ามัน คิดพึ่งพาเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนไม่ขนขวายอะไรเลยไม่ฝึกอะไรเลยแล้วมันแปลกนะไม่เฉยด้วยนะคนที่คิดพึ่งพาคนอื่นเนี่ยท้าให่เฉยทังเกีตดูนะว่าหรือยามที่ว่าทำอะไรก็ไม่เป็นเลยให้คนอื่นทำให้หมดเนี่ยกลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดและแย่ที่สุดแล้วก็คือ คนที่มีคุณภาพหรือมีศักยภาพหรือคนที่มีค่าที่สุดกลายเป็นคนที่ทําอะไรได้ดีที่ทําได้อะไรเองเป็นที่มากทศักยภาพตรงเนี้ยมันต้องฝึกฝึกขึ้นมาหมดเลยแม้แต่เรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคําว่ามีที่พึ่งในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคําว่ามีที่พึ่งในที่ก็คือมีมีเป็นหลัก ในการดําเนินชีวิตมีพุทธธรรมสังฆาเป็นหลักพอมีหนึ่งมีวิทยาเป็นแบบอย่างสองมีพระธรรมเป็นหลักในการที่นํามาพุทธปฏิบัติแล้วก็มีหมู่ไอเดียสงสาวกเนี่ยที่ท่านฝึกตนเองได้ดีแล้วให้เป็นแบบอย่างเป็นหลักเราก็จะได้ฝึกตัวเองตามนั้นข้อแรกมีแบบฉบับมีแบบอย่างที่ดีที่สุดพอมองเห็นไหยเออเป็นแบบนี้ สรุปแล้วตัวนี้เริ่มจะเห็นไหมว่าทุกคนต้องพึ่งตนเองจริงๆแต่คําว่าตนในที่นี้เป็นชื่อของอะไรเนี่ยความเชื่อมัน่นเป็นนามธรรมนะตนตัวนี้นะตนในที่นี้ก็คือตัวความก ล, วกล้าหาญเป็นนามธรรมอีกไหมตนในที่นี้คือสติสติก็เป็นนามธรรมอีกความระลึกได้ตามระลึกได้เนี่ยตนในที่นี้คือความตั้งมั่นแห่งจิต ความอดทนทั้งหลายเหล่านี้เป็นหน้ามารเหมดเลยนะตอนในนี้คือปัญญาแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกให้เกิดขึ้นไม่ให้อาหารไม่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นโอ้เพราะเกิดขึ้นมามีพลังเลยเทีนี้ามาเล่าตัวเองนิดนึงามานอนป่วยใกล้ตายแล้วอยู่กับเตียงแล้วก็แล้วก็กระดิกไม่ได้ คนก็ไปเยี่ยมเขาก็นึกว่ามามองไม่ได้ยินเอยไม่ได้ยินเสีออยงแล้วเขาก็พูดว่าใกล้ตายแล้ว <c oughs> เขาบอกไอ้เนี่ยใกล้ตายแล้วไม่นานก็คงตายแล้วแล้วมีพ้าลูกหนึ่งไปตะโกนต้องหัวอามาเนี่ยตะโกนแรงๆอามาอามาก็กดิกไม่ได้ใช่ไหมเขาคงคิดว่าอามาไม่ได้ยินนะ่ะแต่อามาได้ยินไงเดี๋ยวก็ได้กลับวัดแล้ว พระธิตะกนเนี่ยท่านอาจารย์เขาเรียกชันอย่างนี้เนะ่เดี๋ยวก็ได้กลับวัดแล้วใกล้หายแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็พากันคุยคุย <c oughs> ไรองคตกรนี่แหละท่านก็พูดกลับว่าสงสัยไม่รอด <c oughs> <c oughs> อาอย่างี้ถ้าเป็นยอมมันนอนอย่างงัยย้ยอมจะคิดยังไงอ น้ำตรงไนวันนี้อถ้าถ้าเป็นโยมนะถ้าเป็นยอมมีคนไปเยี่ยมโยมแล้วโยมนอนกระดิกไม่ได้เงี้ยแล้วไปตะโกนบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้ว แล้วแล้วคนที่ตะกอนเนี่ยพอเดินไปหน่อยเขาบอกว่าสงสัยไม่รอด <c oughs> <c oughs> ยอมจะคิดยังไงเนี่ย <c oughs> อ, อถ้าเป็นยอมยอมจะคิดยังไง <c oughs> น้อยคิดยังไง <c oughs> ตอนนั้นจิตใจจะคิดยังไงอ๋ <c oughs> จริงเหรอ เวลาเขาบอกว่าใกล้หายแล้วดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ย้ายกลับแล้วถ้าเขาเขาพูดอย่างเงี้ยตอนนั้น ด, นดีใจไหมยมบุญดีใจถ้าเขาบอกว่าใกล้ตายแล้วมันสวิงไหมเวลาเขาบอกว่าใกล้จะกลับบ้านแล้วใกล้จะหายแล้วฉันนึกในใจว่าจะมาพูดทําไม เพราะความจริงฉันก็รู้ตัวฉันเองอยู่ตอนนั้นนะ่ะมันก็ดิกตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วสภาพมันยังไงเราก็รู้ให้มาพูดทาไมเนี่ยแต่ฉันไม่ได้ขัดเคืองนะจริงๆเราเป็นนักบวชเนี่ยพูดตรงๆมาก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะพูดเพื่เป็นสมนวนให้มันดูดีฉคระวังท่าทีทางใจเพราะอยู่ต่อมาเขาก็บอกว่าคงไม่รอดฉันก็นึกในใจว่าเออฉันก็พิจารณาเลยนะ แล้วมีใครสักคนว่ารอดฉะนั้นนึกว่าไม่มีใครรอดทุกคนนะทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังฉะนั้นนึกในใจว่าเออเนี่ยคําพูดที่เป็นสนํานวนเป็นโวหารเนี่ยเช่นว่ามีใครมาบอกว่าฉันรักคุณเหลือเกินใช่ไหมฉันรักเธอมากรักเธอทุกลมหายใจเข้าออกนใะนคำพูดแบบเนี้ยทําให้เราพลาดมาจนทุกวันเนี่ย จริงไหมล่ะทั้งทีมเป็นสํานวนด้วยนั่นแหละเหมือนโอ้โหไม่ได้เจอทั้งนานคิดถึงเหลือเกินวิ่งไปกอดกันเนี่ยฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยนะว่าวงั้นนะยอมว่าเป็นไปได้มหมโดยความเป็นจริงอะ่ะเป็นจริงไม่ได้ไม่มีหรอกได้มันเป็นสํานวนมันเป็นสํานวนพูด <laughs> แล้วเห็นไหมกรณีแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นภาษาที่สื่อสารเพื่อฟังให้ดูดีท่แต่เราเราก็พูดกับเขาได้อะไรได้แต่ให้เข้าใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตว่ารักแบบตันหาก็อย่างหนึ่งรักแบบเมตาก็อย่างหนึ่งก็แยกให้ออก แล้วถ้าจะเห็นคนทำผิดทำถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้าใจว่าบริบทนั้นในสถานการณ์นั้นเขาถูกกิเลสตัวไหนครอบงำอยู่ถ้าเราอ่านได้ขนาดนั้นเราจะไม่โกรธเขาหรอกเช่นคนที่ด่าคนปะทศสลายเพราะเขาถูกความโกรธครอบงำและเป็นธาตุของความโกรธคนที่กาหนัดยินดีอยากได้เพราะความโลภครอบงําใจเขาเขาก็เลยต้องทำตามความโลภนั้น คนที่มีความเห็นผิดเห็นถูกทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะมีทัศนคติที่ฝังแน่นอย่างนี้เขาจึงทําแบบนั้นถ้ามันเข้าใจเหตุเข้าใจผลเสียเนี่ยเราจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นและเราจะรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคนค น, นั้นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือจะได้เข้าใจกิเลสที่มันกําลังทํางานอยู่ในใจเราและในกระแสชีวิตของบุคคลอื่นพอสมควรทีนี้เวลาเรามาอย่างเนี้ย ว่าถึงวาระหนึ่งของชีวิตเหมือนจวันหรือหมอหวันอายุสี่สิบปีนิดครับอเดืเดอนนี้สี่สิบก็ปลาลว่าจริงๆสี่สิบมันก็อายุมากแล้วถ้าว่ากันอย่างปัญญาทศกะไวก็เลยเลยแล้วถ้าพูดอย่างอุกฤษถ้าพูดอย่างผ่อนผ่อนปนป น, น, นหน่อยก็สี่สิบหก อยู่ในภายยุ46เนี่ยยังมีปัอยู่ในช่วงปัญญาถ้ากาวไวถ้าเลยนั้นก็เลยแล้วปัญญาเกิดยากแล้วคือคำว่าปัญญาก็คือพวกเรามันเดินไปหายเนี่ยชลาภัยตอนนี้พยาธิภัยพยาภัยแล้วก็มรณะเมื่อวานเนี่ยมาก็พูดเรื่องเรื่องศพก็พูดถึงว่าไอ้ตัวขณนิกะมรณะเนี่ยเราตายทุกขณะจิต เนี่ยตอนนี้เราตายทุกขณะกระบวนการความคิดเนี่ยตายตลอดเกิดดับเกิดดับสืบต่อนั่นก็มันตายเนี่ยและเซลล์ในร่างกายมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเนี่ย น, นี่มันเกิดดับสืบต่อตลอดมันตายไอความตายแบบนี้เรายังไม่สามารถทํายานปัญญาให้เห็นเลยไม่สะดุ้งสะเทือนไอตายอย่างหนึ่งก็คือสมมุติมรณะพัดลมตายแอร์มันตายรถมันตายเนี่ยต้นไม้ตายเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนหรอกเพราะมันไม่มีชีวิต ตายอย่างหนึ่งก็เรียกสมุทรเฉทมรณะเช่นพระอรหันต์ท่านตายอ่ะแต่เรียกว่าปรินิพานเช่นพระพุทธเจ้าปรินิพานที่กุศินารางเนี่ยปรินิพานและจุดติเนี่ยการตายของพระพุทธเจ้าการเสด็จดับขันท์ทัปรินิพานเจ้าหรือของพระอรหันต์เนี่ยการตายอย่างนั้นมันเปนความสงบเย็นมันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะพุทธศาสนาเนี่ยนิพานเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัท ทุกคนต้องปรารถนาจุดหมายตรงนี้เหตุผลเพราะเป็นที่ดับวัตทุกข์มันเป็นความเย็นเป็นความสงบเป็นภาวะที่มนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายคนไปถึงถ้าเราไปถึงสภาวะแห่งการดับโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อไหร่เราก็เบาใจได้มันไม่กำเริบต่อกระแสะชีวิตไม่สืบต่อใช่ไหมนั่นคือจุดหมายเวลาเราให้ทานก่อ น, นิพพานอปาจโยโหตุ รักษาศีลกนิพพานปัจยโยโติเจริญภาวนาก็นิพพานปัจจุบัปรารถนานิพพานก็คือปรารถนาดับวัตทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นความสงบเป็นความเย็นอย่างนั้นฉะนั้นตรงนี้ก็มาพิจารณาไม่ได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็เรียกชีวิตตินทรืปรัจเฉทธรรมระการขาดลงของรูปรชีวิตและนามชีวิตในพบหนึ่งหนึ่งก็เรียกว่าตายจริงยอย่างเงี้ยเนี่ยความตายเนี่ย มีทุกกระแสชีวิตมันติดกระแสชีวิตมันเห็ดเลยใช่ไหมเห็ดมันแทงดินขึ้นมามันก็มีไอตัวดินติดหัวเห็ดมาไม่้ชั้นใดพอเกิดปุ๊บการตายมันก็มารอแล้วมันติดอยู่กับกระแสชีวิตทุกๆขณะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ตายพอมนึกถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราเกิดความรู้สึกว่าเอาละเรามาเจริญกุศลในวันนี้อย่างที่พูดถึงเรื่องเรื่องเมื่อวานเนี่ย ปราถนาบูททีนี้ถ้าหากคนที่เป็นภรรยาหรือญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยสละสละถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนเด็ดดวงใจยื่นเนี่ยถามว่ากุศลเยอะไหมยเยอะมากเขาเรียกให้อะไรนะปียธาตานังให้ของที่รักให้ของที่หวงถ้าใครกล้าเด็ดถวายเป็นพุทธบูชาได้เนี่ยเขาบอกจะได้เป็นญาติเป็นญาติกับพระพุทธเจ้า คนเป็นญาติของพระเจ้าเนี่ยปลอดภัยในสังสารวัตที่จริงอะถ้าเรามีสิ่งของที่รักที่อะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าได้มีโอกาสถวายพ่อแม่ก็ได้เป็นญาติภรรยาก็ได้เป็นญาติกับพระเจ้ทาทันทีเลยนะได้เป็นญาติเลยนะตราบใดที่ท่านพูนี้ยังบวชเนี่ยได้เป็นญาติและเป็นญาติพระเจ้าดียังไงพระเจ้ามียาตัทธจริยาก็คือต้องส่งขอญาต เวลาส่งข้อญาติเนี่ยแปลว่าเราได้มีความสัมพันธ์ในสังสารวัฏในเกี่ยวข้องเป็นญาติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะมาโปรดเราถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เขาถืออย่างนี้เขาเชื่อกันอย่างนี้พระเจ้าไม่ทิ้งเราไม่ปล่อยเราจมอยู่ในวัฏทุกข์เราอยู่หน้าที่ไหนพระองค์จะไปโปรดที่ไม่เป็นญาติพระเจ้าจะบำเพ็ญยาตถาจริยาตัวนี้เออล้วก็น่าชื่นใจดีเลยเนี้ยพระเจ้าโศกอ่ะทำบุญถวายทานไปตั้งเก้าสิบกโกฏ สร้างเจดีแปดห0 0่องค์สร้างวัด 84%,00 มัวัดถามพระเถระว่าโยอมทําบุญขนาดนี้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังบอกยังเอา้ายอมจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าต้องทํำยังไงมีลูกชายลูกสาวถวายเป็นพุทธบูชาท่านก็เลยบอกพระมหินท่าทํามโนรถของพ่อไอเต็มหน่อยเธอลูกพระมหินท่าก็มาบวชนางสังกปิตาบอกช่วยทํามโนรถของพ่อไอเต็มหน่อยเธอก็มาบวชเป็นภิกษุณี เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าทรงได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งพระศาสนาไปประกาศ ต, ตามที่ต่งตางๆอย่างที่เป็นต้นฉนั้นอย่างนี้ก็คือโยมโนุวยก็ได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าแต่ตอนนี้ยังต้องให้บวชก่อนพอบวชปุ๊บเนี่ยความเป็นญาติเกิดขึ้นในนึกอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้จะได้เกิดความชื่นใจว่าเออเราได้เป็นญาติกับพระศาสนาแล้วก็พวกเราทั้งหลาย ที่มาครั้งนี้ก็โมทนาที่มาร่วมกันเดี๋ยวตอนทานอาหารเสร็จเดี๋ยวพาฉันพอพาฉันเสร็จเดี๋ยวพวกเราก็ทานอาหารพอทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราก็เตรียมจะมีเครื่องเนี่ยไอเนี้ยแล้วก็จะไปช่วยกันถือแล้วก็มีทานพุ่มด้วยเลยด้วยถือเวียนอุโบสถพอตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งกว่า ประมาณเที่ยงขึ้นกว่าๆอาจจะเที่ยงเที่ยงสี่สิบนาทีเที่ยงห้าสิบนาทีเที่ยงสีสิบนาทีเนี่ยเราก็ไปเวียนรอบอุโบสถกันไปสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถืออัฐบริขารถืออะไรต่างๆก็เวียนรอบไปสามรอบเสร็จแล้วก็เข้าไปในโบสถ์เนร่มกันบวชพอบวชเสร็จแล้วก็กิจกรรมก็ได้อุทิศส่วนกุศล ให้ขญาติมิตรทั้งหลายให้เป็นบุญใหญ่ในเรื่องการบวชเขาเรียกว่าการบวชก็คือปรารถนาในการที่จะสร้างเหตุปัจจัยได้ถือว่าเป็นเป็นเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้วก็ได้เป็นถ้าบวชมาแล้วก็เรียกเป็นสัมมนเชื่อสายศากยบุตรพุทธชิโนรสเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยส่วนโยมที่เป็นพ่อแม่ญาติมิตรเป็นภรรยาก็อยู่ในฐานน่าเป็นโยมอุปถากไป เป็นโยมุกุฏาภิษฐก็ดูแลกันในลักษณะอย่างนั้นเอาและโมทน า, ากับพวกเราทั้งหลายขอให้ตั้งใจในการเจริญกุศลกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็สมควรแก่เวลาแล้วใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งจะพาได้ชั้นียง